เป็นวันเตรียมพร้อมวันนี้แต่ถ้าวันพุ่งนี้แล้วท้าวว่าผู้ที่ใส่บาทนอกวัดไม่ทันนะเออเอาเข้ามาข้างในพระสงฆ์ท่านจะไม่รับเพราะาท่านอธิษฐานไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังเว้นเสียแต่วันสำคัญวันเข้าประดับดินดือ ว, วันบุญเข้าฉากอย่างนีน้อันนั้นก็มีอยู่วันสองวัน แต่จากนั้นไปก็คงจะไม่รับอาหารเพราะนั้นขอให้ศรัทธาญาติโยมผู้ที่จะมาทําบุญในวัดหลวงพ่อก็เหมือนวัดตลงตานั่นแหะนะก่อนที่จะไปก็ต้องไปแต่เช้าไปใส่บาตรถ้าว่านําอาหารไปรวยมากท่านจะไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังอันนี้เป็นทรงขอมทวัดข้อหนึ่งแต่ตามให้จริงความหมายก็คือ จะจะตัดให้พระมักน้อยสันโดลงไปแต่ที่ไหนได้อย่างที่พวกเราเห็นกรมันก็ไ ม, ม่น้อยอีกอย่างเก่า mm. พอผู้ที่มาจะใส่บาตรก็เตรียมพร้อมที่จะใส่บาตรดังนะวันนี้เป็นวันเริ่มแรกนะพระสงฆ์ทั้งหมดที่จะจําพรรษาปีนี้ในวัดของเรากคงจะประมาณสาสห้านะคิดว่านะเพราะจะมีเข้ามาอีกอยู่ เข้ามาอีกก็คือบวชที่อื่นบวชที่อื่นแล้วบวดอะไรในหลวงของเราแปดสิบปีอายุในหลวงของเรา8ปดสิบแล้วบวชที่อื่นแล้วจะค่อยจะส่งลูกเข้ามาอยู่ที่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้รับนะแต่ยังไม่เข้ามาคือบวชทางที่อื่นซะก่อนเดี๋ยวนี้ทั้งหมดพระ ที่จะจําบรรษา34แต่พูดที่จะเดินทางไปในต่างประเทศอย่างท่านพระฝรั่งที่มีสีผาสแปลกๆนั่นคือท่านมาจากอเมริกาท่านเป็นพระพระม่าะนะเป็นชาวอเมริกาชาวอเมริกันแต่บวชนิกายของพมา่าท่านมาเยี่ยมหมู่เพื่อนแล้วก็วันพุธนี้จะคงจะกลับอเมริกา และก็องคหนึ่งก็บวชชั่วคราวก็คงจะออกไปคงจะมาจำพรรษา ท, ที่จะจำพรรษาแน่ๆก็คือ34องค์วันนี้นะจะอธิษฐานพรรษาแต่ก็คาดว่ามีมาเพิ่มเข้ามาอีกเมื่อจำเมื่ออธิษฐานพรรษาแล้วก็คงจะมี30สกว่าองค์ที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นก็เป็นการบอกกล่าวศรัทธาญาติโยมผู้ที่จะ มาใส่บาตรในวันข้างหน้าถ้ามีโอกาสจะมาใส่บาตรเออพระหลวงพ่ออินนี่มีกี่องคออ์ก่อนที่พูดละเอียดให้ฟังอ่ะเผื่อศรัทธาญาติโยมจะได้ประมาณการพระถูกว่าวัดหลวงพ่อนีออ่จะมาใส่บาตรจะเตรียมอาหารกี่ชุดอย่างเนี้ยแต่ตามไม่จริงบางทีก็ขาดสิบกว่าองค์บางห้าหกเจ็ปดองค์บางที ก, ก, 5, 6, 7, 8, ทก็นั่นะเกือบเป็นครึ่งฮ แต่บางครั้งศรัทธาญาติโยมมาเอ้าหลวงพ่ออินทําไมว่าพลาดถึงสาสิบพระองค์วันนี้ทําไมใส่บาทเข้าไปแล้วสิบพระองค์เองเนี่ยคือพระทอดอาหารนะอดอาหารท่านภาวนาของท่านในพรรษาท่านไม่มีธุรกิจธุระอะไรหลวงพ่อก็ให้พระเร่งความภาคเพียรให้อดอาหารทําความเพียร น, นะถ้าว่าวัดพระองค์ใดก็ตามที่มาอยู่วัดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อบอกเลยนะถ้าว่า ผู้ใดก็ตามมาอยู่วัดหลวงพ่อไม่อดอาหารไม่เล่นความเพียรไม่อดอาหารไม่อดอาหารแสดงว่าไม่ผ่านวัดป่านาคําน้อยหลวงพ่อว่างั้นนะอทําไมพ่อหลวงพ่อเนี่ยสมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่มก็อดอาหารเห็นไหมหลวงพ่อมาสร้างวัดเนี่ยรูปอยู่กับหลวงปู่แหวนหลวงปู่เพียรหลวงพ่อน่ยดูๆแล้วไม่เหมือนนี่นะหลวงพ่อผอมนะพรอดอาหารอสมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่ม อดอาหารหลวงพ่อว่าได้ประโยชน์สําหรับพระรุ่นใหม่หรือว่าที่พวกเราจะอยู่ในครวาตหรือว่าทําหน้าที่การงานโดยเฉพาะย่างยิ่งอย่างหมออย่างเนี้ยเมื่อหมอมาบวชภาคฤ ด, ดูร้อนน่หลวงพ่อยังบอกให้แนะนําให้อดอาหารนะออดอาหารอยู่นะพวกเราจะได้เป็นหมอต่อไปในอนาคตถ้าเข้าห้องผ่าตัดอห้องผ่าตัด อาหารเที่ยงเราไม่ได้ทานเพราะผ่าตัดยังไม่เสร็จเนี่ยถ้าเราไม่เคยอดอาหารเนอ่ยมันงดหงิดนะมันโมโหแล้วจะทำยังไงได้ผ่าตัดไม่เสร็จไม่มีความอดทนแต่ถ้าว่าพวกเราได้อดอาหารมาบวชอยู่ในวัดได้อดอาหารสามสี่ห้าวันหกเจ็ดวันเมื่อเราไปทำงานหรือว่ารถตายรถติดอะไรที่ไหนเราก็เออสมัยเราบวชอดอาหารทั้งหลายวันไม่เห็นเป็นไร อันนี้เพียงมือเดียวนะก็ได้ใช้ความอดทนไปนานเท่านานเพราะฉนั้นหลวงพ่อจึงเมื่อเป็นพระนี่สมควรที่จะให้ใช้ความอดทนจุดนี้ด้วยเพื่ออนาคตของพระที่เขามาบวชใหม่ฮหลวงพ่อให้ความเห็นอย่างนั้นนะคิดว่าหลวงพ่อให้ความเห็นไม่ผิดอีกต่างหากนะเพราะว่าจะเปรียบเทียบเห็นไหมนะเน่ยเมืองยะโสธรนะกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ตายเจดีนั่นนะ ลูกชายไปไทยนาแต่เช้าแม่ก็ไปส่งอาหารใส้สายไปส่งข้าวแต่ใส่สายกล่องข้าวกล่องข้าวน้น้อยทนนีอไปเห็นกล่องแม่ไปส่งข้าวก็โมโหขึ้นมาว่าทำไมมากมาใส้สายกล่องข้าวก็น้อยอีกจะกินอิม่มเลยเนี่ยเหาือกันแม่ก็บอกว่าโอ้ยลูกไม่ต้องห่วงแม่อัดแน่นเลยนะ อกินไม่หมดตัลูกเอแต่ความโมโหเฉยๆเลยไม่ได้มันไม่ได้ฟังหน้าฟังหลังมานก็แต่มันโมโหก็เลยลากแอกใส่คอควายมาตีหัวแม่แม่ก็เลยตายพอตายแล้วยังมีหน้ามีตากินข้าวอยู่ได้เล อ, อกินข้าวที่แม่เอาไปให้กินแล้วไม่หมดเลยเพราอมันข้าวเหนียวมันอัดแน่นเนยเกินไม่หมด กินไม่หมดเสียอกเสียใจจะนี่ออนั่นน่ะเพราขาดความอดทนสรุปแล้วอผลสุดสุดก็ได้สร้างเจดีขึ้นมาขนาดนกเขาเหินว่า ง, งั้นนะ่ะนกเขาเหินกับ น, นกเขาบินอนกเขาบินพวกเราถ้าว่าใครเคยอยู่กับนกเขาจะรู้ว่าเวลามันอแบ่งเขตแดนของมันนะมันบินขึ้นบนอากาศแล้วก็บินแบบกลางปีกวนางงั้นเถอ ะ, อะมันเป็นกระพับปีกบินกลางปีก มันแสดงว่ามันรักษาถิ่นฐานของมันใครอยตัวไหนอย่าเข้ามาใกล้ไลักษณะนะั้นพระนขคเรียกว่านกเขาเหินก็สูงพอสมควรนี่นะพ้นป่าไม้ว่างั้นเ น, นี่แหละเจดีที่จังหวัดยะโสธรสรุปสรุปแล้วก็คือเจดีโลกไม่มีความอดทนเห็นแม่ส่งข้าวแล้วก็โมโหแล้วกฆ่าแม่ผลที่สุดก็เห็นโทษตัวเอง ก็ได้สร้างเจดีเพื่อบรรจุ ก, กระดูกแม่แต่ถึงยังไงก็เถอนนะถึงจะสร้างสูงจดแม่ก็เถอดกรรมที่ได้กระทำไปแล้วนั้นไม่มีทางจะลบล้างได้เพราะเป็นบาปกรรมที่หนักที่สุดนว่าอนันตริยกรรมอัออนันตริยกรรมกรรมหนักที่สุดมาตุคาตฆ่ามารดาปีตุคาตฆ่าบิดาอารหันตะคาตฆ่าพระหันโลหิตตุบาททำร้ายพระพุทธเจ้ายังพระโลหิตให้ห่อ สังคเภทยุโยงสงให้แตกกันเป็นสองฝักสองฝ่ายอันนี้บาปหนักสุดสำหรับอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทสี่ของพระพุทธเจ้านะนี่แหละหลวงพ่อแนะนำให้พระใหม่หรือว่าพระทุกองทดลองอดอาหารดูน ะ, เ, ะเพื่อความอดทนแต่พวกเราอยู่ฆลาวาสญาติโยมหลวงพ่อว่าอดก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกันลดได้หลายอย่างบางคนก็ Really fat, วิริแฟตว่างั้นเถอะวิร really mm ิแฟตก็อดตัวซิว่าเป็นไงให้มันเบาลงบ้างลดน้ำหนักลงบ้างว่างั้นเถอะเนี่ยหลวงพ่อว่าคงจะก็ดีเหมือนกันได้ความอดทนด้วยว่างั้นเถอะแต่นี่พระที่จำพรรษาวัดของหลวงพ่อก็มีพระต่างชาตินะพระต่างชาติจำพรรษาปีนี้หรูปนะมีอเมริกันออสเตรเลียเยอรมัน แล้วก็ไต้หวันนะวสวนในครัวก็มีโยมอุบาสิกาสองอินโดนีเซียนะนี่แลหละจดุบแล้วก็คืออยู่ต่างประเทศต่างภาษาทั้งที่ไม่รู้ภาษากันต่างคนก็ต่างแสวงหาความสุข่ความสุขที่แท้จริงคืออะไรสาระของชีวิตคืออะไรสาระของชีวิตคืออะไร ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ชาติคืออะไรนี่แหละต่างคนต่างคนา้นค ว, วา้าไคว้คว้าทุกชาติทุกภาษาถ้าคว่าเบี้ยเสียแต่ว่าแบบคนไม่คิดไม่อ่านก็อ ย, อยังว่าแต่ถ้าว่าผู้คิดอ่านเนี่ยต้องคน้นคว้าจางสิทธะเข า, าเหมือนกันท่านเกิดขึ้นมาในยุคนั้นสมัยนั้นคนยุคนั้นสมัยนั้นก็คงจะสงสัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายจะหาความสุขที่แท้จริงนั่นคืออะไร เกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็เผาไฟกันเอาไปเผากันแล้วก็จบเงียบหายไปตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วศูญย์ก็ไม่รู้อีกท่นี่ในยุคนั้นเขาคงจะสงสัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสงสัยอย่างเดียวนี้แหะเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้เสียสละจากเวียงวังไปค้นคว้าตามลําพังพระองค์ถึงหปีจึงได้พบหลักธรรมว่าตายแล้วไม่ศูญพระพุทธองค์ยืนยันอย่างนั้น ตายแล้วไม่สูญคุณงามความดีมีจริงเพราะฉะนั้นอย่าทรรมชั่วนะอันนี้แหละคือหลักของพรธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกก็คือความสงสัยเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นต่างชาติต่างภาษาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวมานี่ก็คือสงสัยเหมือนกันจึงได้มาคนา้นคว้าตามหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เ, เป็นหลักธรรมที่ถูกต้องอยู่แล้วข้อจาการผู้ปฏิบัติเท่านั้น เดินตามถูกทางไหมเหรอพระพุทธองค์ตัดไปแล้วบอกไว้แล้วเป็นสวากาตธรรมตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องถ้าผู้ปฏิบัติก็จะได้มักได้ผลตามที่พระพุทธองค์ได้สอนเอาไว้อย่างพระพุทธองค์สอนแบบพูดแบบง่ายๆก็คือสอนวิธีการทํานาการทํานานได้เตรียมอะไรบ้างแต่พวกเราอยู่ในเมืองในกรุงน่ย จะมาทำนาได้หรือไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะไม่รู้แต่วิธีการทำนาทำอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างเบื้องต้นจะต้องเตรียมพื้ น, นาจะต้องออทำคันนาจะต้องมีแหล่งดูว่าน้ำจะมาทางไหนมีแหล่งน้ำไหมสายน้ำท่อมาผ่านท้องนาไหมอย่างถ้าใครไปทำนาหยุดสันดอนสันโคกนะสันเขาเนี่ไม่มีทางจะได้กินข้าวอยนะ่านอันนี้การทำนาเพียงแค่นั้นก็ต้องได้ศึกษา เพราะนั้นเรื่องจิตเรื่องใจไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตเรื่องใจที่พวกที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนท่านรู้ก่อนเพราะนั้นท่านจึงแนะนําสั่งสอนอว่าสอนพวกเราเป็นตํำรับตาราในพัตรไตรปิฎกทั้งหมดนีนั่นแหะคือแผนที่ที่ให้พวกเราเดินตามเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสรุปทั้งแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นให้สั่งสมบุญกุศลอย่าตั้งอยู่ในความประมาทตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอ อยากจะรู้ให้นั่งภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้าพาพิสูจน์ถ้าเราพิสูจน์ตามแนวแถวของพุทธะแล้วนั่นล่ละจะรู้แจง้งเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนเพราะนั้นพวกเราทุกวันนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวต่างประเทศต่างชาติมาบวชในพระพุทธศาสนาต่างคนก็ต่างศึกษานะแต่ไม่ใช่พุทธศาสนาอย่างเดียวเขาคงจะเข้ า, าศาสนาอื่นก็มีตั้งเยอะแยะไป ต่างคนก็ต่างควคว้าไปคนละทิศทางต่างบางคนก็ไว้คว้วาไปก็คว้าน้ำเหลวบางทีก็กลับออกมาบางคนก็ค้นคว้าไปก็เอออันนี้ถูกทางถูกอย่างที่ใจของเราต้องการอย่างนี้แหละอันนี้แหละคื อ, ค อ, คอต่างคนก็ต่างตะเกียกตะกายไปคนละอย่างบางคนก็ความสุขที่แท้จริงคือหาเงินได้ล่ละ หาแต่เงินหลับหูหลับตาหาเงินอย่างเดียวหาแล้วไม่ใช่ต่างหากเพราะเหตุไรเพราะเสียดายมันหามายากผลที่สุดก็เลยตายไปเปล่าพอตายไปแล้วก็ใช้ก็ไม่ได้สิเพราะตัวเองไม่กล้าใช้เพราะหามายากผลทีสุดก็เนี่ยลูกหลานก็ไปทะลุลุงต่อไปอีกบางทีลูกหลานติดการพนงติดการพนันแล้วเนี่ยตัวเองกับผู้หาเนี่ยพอแรงนะี่ยเหนื่อยล้าจนพอแรงแต่ไม่กล้าใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อีกสิ บางที่ก็ส่อแสวงหายศยศฐานบรรดาศักดิ์ได้มาแล้วสูงส่งแล้วกระฟุที่สุดก็ออกไปด้วยไม่ได้ทั้งลาบทั้งยศทั้งสรรเสริญเยือนยอล้วนแล้วแต่อยู่ในโลกทั้งนั้ น, โ ล, น โ, ลกกรรโลกนี่ว่าโลกกระทำแปดเพราะนั้นการส่อแสวงหาความสุขหรือว่าสาระของชีวิตที่แท้จริงนั้นคืออะไรเพราะนั้นที่หลวงพ่อได้กล่าวมาท่านพระฝรัง่ง ทั้งพระไทยด้วยนะี่ยทั้งหลวงพ่อด้วยเนะี่ยแตค้นคว้าหาสาระของชีวิตที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงของมนุษย์อยู่ที่ไหนแต่ในหลักของพุทธศาสนาพูดได้เล็วว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอยู่ที่ใจนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าความทุกข์หรือความสุขอยู่ที่ใจให้ค้นหาที่นั่นถ้าไปค้นหาที่อื่นหาอย่างไงก็ไม่เจอแต่ถ้าหาที่นั่นแล้วจะเจ อ, เอความสุขและความทุกข์ มันออกมาจากใจตัวผู้รู้นามธรรมแต่มองดูแล้วมันมันยากเลยนะเพราะเหตุไรเพราะาหานามมธรรมเลยไม่ใช่หาง่ายๆหาใจจะทํายังไงจึงหาใจเจอใช่ไหมนี่แหละท่านก็สอนวิธีการอะไรท่านเลยทําสมาธินะกําหนดลมหายใจเข้าออกนะบริกรรมพุทโธพุทโธนะจิตสงบนะเอจึงจะค่อยตามไปตามไปตามไปเหมือนกับเราตามรอยโคอย่างนั้นแหลอ โคเนี่ยมันไม่รู้ไปทางไหนว่างั้นแต่เราเห็นแต่ลอยมันเห็นแต่แนวความคิดเห็นแต่สิ่งที่มันทุกข์ยากลําบากเพียงแต่มีแต่เรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องทุกข์ไปแต่เราไม่เห็นตัวใจเถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าก่อนที่จะเห็นตัวใจต้องบริกรรมนะอยู่นะเหมือนเราตามรอยโคเห็นตามไปตามไปโคมันก็ต้องเหยียบดินใช่ไหมล่ะเหยียบดินมันก็ต้องมีลอยตามไปตามไปตามไม่รู้จัก วันจุดเนี่ยผลที่สุดเจอโคได้ไเอีเจอวัวเจอควายได้ถึงนีพอเราตามรอยมันอจากนั้นก็จับตัวมันไดไ้อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละการภาวนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนก็คือให้ดูอารมณ์ผลที่สุดก็ถ้าสติของเราเข้มแข็งนะก็จับใจจับตัวผู้รู้ได้นั่นแหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดทึนี้นี่แหละหลักหลักของพุทธศาสนาวันนี้ก็หลวงพ่อได้ เป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายแล้วก็ขอย้าําว่าผู้ที่จะมาใส่บาตรต่อไปภายภาคหน้าถ้ามีโอกาสนะทําบุญทําทานมาวัดหลวงพ่อกัอนนะพระหลวงพ่อก็อมีเท่านั้นละแล้วก็ให้มาถึงที่นี่ประมาณเจ็ดโมงนะแล้วก็รับปิดเบาตรในนอกวัดรับปิดเบาตรนอกวัดขณะที่ในพรรษานี้ถ้านอกพรรษาแล้วก็ค่อยเข้ามาในวัดอย่างที่พวกเรา นำอาหารมาถวายวนั่นแหะอันนี้ก็คือธุรงควัตธูรงควัตมีหลายข้อนะมีอยู่สิบสามข้อด้วยกันนะฉันในบาทเป็นวัดเนี่ยเป็นธุรงข้อหนึ่งบินทบาทเป็นวัดธุรงข้อหนึ่งอยู่ป่าเป็นวัดธูรงข้อหนึ่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัดอืธูรงข้อหนึ่งหมผ้าบางสกุลเป็นวัดธูรงข้อหนึ่งเนี่แหละสรุปแล้วก็คือธุรงทั้งสิบามข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้เป็นให้พระเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษ ไม่ให้ฟุ่มเฟื อ, อยเพราะงั้นอ่าเพราะเราเป็นพระถ้าพระขี้โลกพระขี้โลกพระฟุ่มเฟือยก็ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนอไปที่ไหนขอดะไปหมดแผดะไปหมดสร้างการทําอะไรไม่รู้จักจบจักสิน้นทําให้ชาวบ้านเขาเอือมละอาเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าในยุคนั้นสมัยนั้นท่านคงคงจะเห็นแล้วท่านก็เลยบัญญัติทูดงแต่ใครไม่ถือผิดไหมไม่ผิดนะทูดงนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ผิดต่อพระวีัย ไม่ผิด ต, ต่อกฎวินัยแต่ถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติได้เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสในจิตในใจให้เบาบางอันนี้คือที่พระพุทธเจ้าจุดประสงค์ของพุท ธ, ธะนะอนตอนนี้ไปรับพรนะทีนีนะอนุมโมทนาให้พร อ, อ, อุทิศส่วนกุศลนะพวกเราได้มาทำบุญในวันนี้